พอลงไปก็ไปสวนแสงธรรมวัดหลวงตาพุทธมนทนสายสามพนั้ากันนัดสัทธาญาติโยมเขาก็หลังไหลมาทำวัดเย็นจากนั้นก็ได้โพดในแนวแถวอะไรพวกสัทธาญาติโยมควรจะรับรู้รับทราบเย็นวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้าเช้าบินเท่าบาทที่สวนแสงธรรม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 ใครบ้างที่สะดวกต่ไม่ได้ซักส่วนกันต่างคนต่างไปก็แล้วกันก็รู้อยู่แล้วะวัดบวรนอยู่ที่ไหนตรงพ่อก็จะไปตามที่วัดไปตามที่บอกควรจะไปฮะ พ, พ, พ, พ, พี่น้องพี่พี่น้ององค์ไหนที่จะไปก็เอาไปาไปงานอย่างนี้ไม่ใช่จะไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มไม่ไหวหรอกเราจะเดินไปที่ไหนพักที่ไหนมันเป็นเรื่องที่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 ก็ยอมหาทรัพย์ได้เมื่อหาทรัพย์ได้มาแล้วก็เ ล, ว เ, เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบเลี้ยงครอบครัวเงินคำทรัพย์เงินคําทรัพย์สมบัติส่งถึงโรงพยาบาลหลวงพอบอกนะเงินคําทรัพย์สมบัติเงินส่งถึงโรงพยาบาลพอรไปส่งโรงพยาบาลก็ ร, กรักษากรับออกมากเอาไปเข้าไปรักษ า, า, ากลาบองคมาก็ไปรักษา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 จะเป็นเพื่อนสองที่จะนําดวงวิญญาณของพวกเราไปสู่ภพภูมิต่างๆเพราอนั้นบุญบาปนั่นแหละจะเป็นเป็นเพื่อนสองของเราเพราอนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เดียวนี้น่ะเราจะคิดไว้ได้วยังว่าเพื่อนสองของเราคือใครใครกันแน่บาปอากุศลหรือเป็นบุญกุศลที่จะเป็นเพื่อนสองของเรา